จะดูในสถานที่ใดก็ตามคนเราพูดกันรู้เรื่องไม่เหมือนสัตว์สัตว์ก็เป็นติดเพียงร้องเพียงครางหรือแสดงอาการเป็นความทุกข์ให้เราเห็นแต่มนุษย์นี้แสด ง, าา ง, าา ง, แองออกมาทางวาจาทางคริมารยาทแล้วยังออกมาทางวาจาเป็นความบุงถึงเรื่องความทุกข์ความร้อนต่างๆนะที่การงานการได้การเสียการเจ็บไข้ได้ป่วย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 แม้แต่การฝึกผลอบรมด้วยสมาธิภาวนาทำแรกๆก็รู้สึกว่าฝืดเครืองตะเกียกตะกายวุ่นไปหมดเหมือนกับจะเข้าตะแลงแกงคือถูกทิพถูกเขาเอาไปข้านันเองเพราะเห็นผลยังไม่เคยปรากฏหากเป็นความพอใจอยู่บ้างก็พอฟัดเผาอย่างกันไป ทำให้พอใจทั้งไม่เห็นผลเลยก็ลำบากลำบุญมากนั่งเกียยี่สิบสามสิบนาทีนี้โอ้โหเหมือนก็จะเป็นจะตายยิดเมื่อได้รับการอบรมอยู่เรื่อยๆมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะเหมาะกับจังหวะอันดีงามที่จะกล้าเข้าสู่ความสงบให้เจ้าของได้เห็นชัดแล้วเกิดความเชื่อความล้ำสายขึ้นมานั่นแหละเป็นเชื้อแห่งความเชื่อ ที่จะให้เกิดความมุสาพยายามไปโดยลดํานักนลวงเคยเล่าให้ฟังในการพึกหัดเบื้องต้นซึ่งเป็นไปด้วยความเชื่อความมุงสมายอยากทําเวลาถามหัวหน้าวัดท่านพ่อบอกให้ภาวนาพุทโธแล้วเนีหยผมก็ภาวนาพุทโธเอาให้ภาพเอาพุทโธภาวนาเราภาวนาภาวนาก็ไม่ทราบว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็ทําไปงูปลาไปนั้น แต่สําคัญที่คำว่าพุโทโธกับสติระวังกันคืดตอนภาวนาพุโทโธนั้นตอนภาวนานั้นท่านว่าไม่ให้ส่งจิตไปอื่นให้มีความรู้อยู่กับคําบริกรรมภาวนานั้นเราก็จับว่านั้นเพราะเราไม่รู้กว้าขงขวางอะไรนี่ก็ไปทําอย่างท่านว่าจริงจริงพอทําลงไปกําหนดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธปรากฏว่าความรู้สึกของเราที่มันซ่านอยู่ย า, งางนีที่ต่างๆนั่นรวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามา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 เป็นเชื้อสำคัญให้เกิดความมุสาพยายาไม่ว่าจะเรียนหนังสือมากน้อยเพียงไร ล, ลำบากลำบนขนาดไหนการภาวนาจริงไม่เคยลต้องละปล่อยเวลาไว้จังหวนเวลาไว้สนหรับทาภาวนาแต่ก็ไม่ค่อยได้เต็มเม็เต็มหน่อยนานๆตั้งแต่เรียนหนังสือมาจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติที่จิตสองอบได้อย่างนั้นเพียงสามครั้งเท่านั้น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 การความการตื่นเต้นนั้นมันเป็นเหตุให้ควรเหมือนกันควนความสงบนั้นให้ถอยตัวออกมาได้พีนี้เมื่วลาชินต่อความเป็นเช่นนั้นแล้วก็วมไม่ตื่นเต้นมีแต่คอยกําหนดคอยดูจิตที่แสดงตัวเข้าไปสู่ความสงบจะ แ, แสดงอาการอะไรออกมาก็ให้รู้อยู่กับจุดแห่งความรู้ที่สงบตัวลงไปนั้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหรือก็มสงบได้นานแนบแน่นเป็นลําดับลํำดับความสงบของจิตแต่ละครั้งละครั้งนั้น นอกจากจะเป็นความสุขความสบายในขณะที่สงบแล้วยังเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของจิตขึ้นได้โดยลาดับอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งรากฏเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจทั้งๆ ท, ที่จิตไม่ได้รวมก็ตามเมื่อกําหนดดูความรู้ของตนเมื่อไรก็ทราบชัดว่าความรู้นั้นเด่นเป็นความสงบโดยลทาทังตนเองอยู่โดยเฉพาะ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 ก็ยิ่งเป็นการสร้างฐานให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลํำดับจนกระทั่งดูที่ไหนก็มีความมั่นคงอยูายในจิตใจมี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นเป็นอย่างนี้ความสงบเป็นอย่างหนึง่งจิตที่เป็นสมาธิดูตามฐานขางตนนั้นเป็นอีกอย่างเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความอิ่มตัวอยู่ด้วยความสงบจิตย่อมไม่มีความหิหวโหวย กวนก歪กับอารมณ์ต่างๆตามธรมรมดาของจิตที่มีความสงบนั้นมีแต่ความหิ้โหยทังนั้นคิดนั่นปรุงนี้อยู่เรื่อยๆจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะหยักหยิบหยิบนั่นวางนี้ปล่อยนั่นไปจับจดไปหมดะทันทีสอนนั้นมีจิตมีความสงบเวลาสงบมันก็สงบจนเกินไปสงบมันจะจนเราจะให้สงบสักกี่ชั่วโมงก็อยู่อย่างนั้น เป็นความทมายเลยกลายเป็นสมาธิขี้เกียจจนกระทั่งได้ถูกครูบาอาจารย์ท่านดุด่าว่าเก่าจิดลากออกมาจากสมาธิให้ค้นทางด้านปัญญาจึงได้ใช้นี่พอเริ่มใช้ปัญญาก็เพราะว่าจิตนี้มีความสงบตัวอยู่แล้วมันก็ง่ายพอกำหนดออกไปเนี่ยใดมันเข้าใจเป็นลำดับลาดับการเข้าใจทางด้านปัญญานี้ผิด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 ก็ดำเนินงานไปเรื่อยๆทําจิตให้สงบลงไปเรื่อยๆแล้วปัญญาก็สอบส่องดูธาตุดูขันดูของเรื่องของทุกเรื่องของจุฬาไทยดูเรื่องอนิจจงทุกขังอัตตาซึ่งมีอยู่รอบตัวโดยลําดับธรรดาพิจารณาแล้วพิจารณาเราจนกระทั่งมีความทำนิทํานานความทำนานภานจิจนี้ซึ่งเป็นความจริงแล้วไม่ได้เหมือนความจําทีแรกก็พิจารณายากลําบาก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 เป็นลำดับลำับจนมีความสามารถเต็นที่แล้วก็ปล่อยวางไปเป็นขั้นคั้นขั้นขั้น น, hmm. นี่นเรียกว่าปัญญา hmm. มีความแหลมคมกว่าสมา ธ, สมาธิสมาธิเป็นแต่เพียงความสงบปัญญาเป็นความค่องแขล่วเป็นความสอดส่องมองทะลุเหตุผลต่างๆเรื่องถาดเรื่องพัน ที่เราเคยจําว่าอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งพออา น, นิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นความจริงทราบซึ้งถึงใจแล้วมันซึ้งมากที่สุดนะดื่มด่าทําให้เพลิดเพลินต่อการพิจารณาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนสถานที่กามเวลาไม่ไม่ไปสนใจนอกจากจะสนใจกับความรู้ความเห็นที่ตนมุ่งหวังอยากให้เข้าใจนั้นเข้าใจไปโดยลําดับๆมีเท่านั้น พราฉะนั้นอยู่ที่ไหนจึมีแต่ความภาคเพลียนตลอดเวลานอกจากหลับแค่เท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็ประกอบความภาคเพลียนโดยทางสติปัญญาเรื่องธาตุขันนี่สำคัญมากทีแรกมันก็พิจารณากระจายเป็นทั่วโลกกระทา่าเลยนะเรื่องอนิจจงพิจารณาไปหมดไม่ว่าลูกสัตว์สู่บุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาเป็นสิ่งที่มีความแกรสภาพมัเหมือนกันหมดจะยึดอะไรเป็นเราเป็นของเรา อันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเรามันยึดไม่ได้มันไม่เป็นที่ไว้ใจทางนั้นเพราะกองแห่งใจรักอันนี้จังทุกขัของนาตามันเต็มตัวของเขาอยู่แล้วทราบชัมันก็ไม่กงังวลประการหนึ่งก็คือความเห็นเข้าเป็นความเห็นชัดในสิ่งแล้วนี้แล้วด้วยปัญญาอย่างชัดเจนประการแรกๆ ก, ก็คือกิจอิ่มตัวด้วยสมาธิไม่ค่อยไปกงังวลทีนี้ก็คลี่คลายสิ่งที่เรายังไม่พิจารณาออก ด้วยปัญญาเมื่อเห็นชัดแล้วกับมันปล่อยที่นี่ปล่อยหลังติเกออธิบายแล้วต่อยเข้ามาเป็นลำหนักลำหนักเห็นชัดเท่าไรก็ปล่อยเข้ามาที่แรกก็กว้างปัญญานี่วิ่งทั่วโลกธาตุเลยเหมือนกับว่าโลกธาตุวันไปหมดนะ่ะเพราะตะกี้ปัญญามันวิ่งไปถึงกันหมดรูปเสียงกยงลิ่นรดเครื่องน้ำผักอยู่ใกล้ไกลามากน้อยเพียงไรลุกตื้นหยาบละเอียบมันค้นเลยจนเป็นที่เข้าใจแล้วถึงจะปล่อยได้ ถ้าไม่เข้าใจมันไม่ปล่อยเราจะบังคับให้ปล่อยมันก็ไม่ปล่อยเช่นอุปทานเนี่ยบังคับให้ตลาดเขาบังคับเธอถ้ามันไม่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วมันไม่ยอมปล่อยลยพอเข้าใจเท่านั้นไม่ต้องบอกมันสลัดปั๊บปั๊ปั๊ปปไปเลยท่านเรียกว่าปล่อยด้วยปัญญาความโง่เป็นผู้พาให้ถือความฉลาดเป็นผู้พาให้ปล่อยว า, างท่านจึงสอนให้อบรมทางสติ ป, ปัญญาให้มากในการพิจ่จะนาผลสุดท้านมันก็ไม่ไปไหน มันจะเข้ามาทานมาขันอันเป็นตัวของตัวแท้ๆที่ยึดถือกันมาประจําตั้งแต่วันเกิดกําเนิดนไหนๆก็ตามมันก็ถือท่าถือขันนี่เป็นต้องขัญถือว่าเป็นเราทั้งหมดเนี่ยในร่างกายอันนี้ทุกเป็นจริ่งที่ไม่พึงปรารถนากันยังบอกว่าเราเป็นทุกนังถือว่าเราเป็นทุกหน้าร่างกายทุกส่วนก็สร้างแล้วมันแปรปรวน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 เที่ยวหลาตลกเข้าไปมันก็ค่อยแจมแจ้งเข้าไปแจมแจ้งเข้าไปถึงล่าถึงฐานมันต่อยของมันเองฮะลองลูกก็ดูมันอยู่นั่นน่ะทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นสนามท่องเที่ยวเป็นทําเลท่องเที่ยวกรรมฐานเท ister, ี่ยวกรรมฐานกับกรรมฐานได้เยอะที่ไหนที่สำคัญก็คือเจสาโรมารณขาทันตาตะโจในแต่ส่วนนั่งของเราทุกส่วนเที่ยวกรรมฐานในตรงนี้ด้วยจระจิกุจระคือการต้องเที่ยวของจิตพิจารณามัน เห็นชัดตามความจริงทั้งภายนอกภายในส่วนหน้ากายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนวันนี้ก็พิจารณาข้าวหน้าก็พิจารณาข้าไหนก็เป็นรณาพิจารณาหลายครั้งแ ล, ล้วหนังมันซึมซาบเข้าไปเองซึมซาบเข้าไปเองเข้าใจชัดเนี่ยพอเข้าใจชัดแล้วไม่ต้องบอกมันก็ปล่อยคล้องมันยอย่าเวทนามันก็เกิดอยู่กับกากับใจมันไม่เกิดอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่คระสัจธรรม ท, ทุกขังอริยสัจจังท่านบอกแล้วชัดๆว่า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 ไปแย่เอาของฟองเข้ามาแทกภรรยาจิตจีตจตก็เลยการไปจิตก่อนจิตรุ่มหลงใช่ไหผลว่ามันจึงเกิดจความเดือดร้อนอาการพิจารณาก็คือว่าให้ปล่อยคืนตามของเดิมของเขาอืไม่ฝืนความจริงอันดั้งเดิมดูปังอนิจจงรูปังอนัตตานี่เป็นของดั้งเดิมดูปังทุกขังเป็นของดั้งเดิมให้พยายามพิจารณาให้เห็นชัดปล่อยลงตามความเดิมของเขาเนี่ย ทุกขังเวทนากับอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็เหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาให้ถึงความจริงคืออันดั้งเดิมของเขาปลอยลงสภาพดั้งเดิมของเขาเร า, เาให้อยู่ดั้งเดิมของเราอย่าไปปีนเกียวกับความจริงอย่าปีนเกลียวกับความดั้งเดิมของเขาอันใดดั้งเดิมของใครให้อยู่ตามสภาพของมันเวทนาก็ให้อยู่ตามสภาพของมันให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นคนหลงเราต้องเป็นคนรู้ถึงจะแก้ตนได้แล้วหลงแล้ว หลงไปทลายมันก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์เราไม่เห็นโทษในความหลงของเราก็ต้องได้ทุกข์อยู่เรื่อยๆไปเมื่อเห็นโทษในความหลงก็ต้องพิจารณาให้รู้เมื่อรู้แล้วมันก็ความหลงมันก็ดับไปมันก็ไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่หนกักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไหนทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นทุกข์มากจนขนาดถึงทนไม่ไหวต้องตายตายก็ตายไปเถอะเมื่อสติปัญญาเป็นตัวของตัวอยู่แล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปแบบไปหาเนื้อทุกจะสักแต่ว่าทุกข์เท่านั้น ไม่สามารถที่จะมาทำนายจิตใจที่มีความมั่นคงด้วยสติปัญญานี้ได้เลยนะในส่วนสัญญาทั้งขารวิญญาณมันก็เหมือนกันนังที่พูดมาแล้วหลายครั้งหลายหนนั่นเพียงจําได้ระดับไปดับไปเกิดดับเกิดดับพูดง่ายๆเอาสาระอะไรมันได้ให้พิจารณาให้เห็นความปรากฏขึ้นความดับไปเท่านั้นเราไม่ต้องไปตักลึกยิ่งกว่านั้นเลยขอบเขตของความจริงไปมันก่อความกังวลให้ตนสัญญาเป็นของเราหนตายลงไปแล้วนั่น ทันยาดีทันยาไม่ดีทัจะทํญญาได้จำไม่ได้จำได้กับเป็นเราจำไม่ได้กับเป็นเราอะไรก็เป็นเราไปหมดนี่มันเลยความจริงไปมันก็เกิดความทุกข์จำไม่ได้กับโมโหกังอะไรนะั่งแล้วหลงไปตามทัญยาอารมณ์สังขารปรุงขึ้นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรก็ตามมันก็หมายไปหมดเนี่ยความหมายไปความอย่างไปในสิ่งที่ไม่ควรอย่างยึดในสิ่งที่ไม่ควรยึด มันเป็นการฝืนหลักธรรมชาติฝืนความจริงแห่งธรรมมันจึงเกิดทุกข์การพิจนารณาเรื่องอาการตั้งหาานี้พิจนารณาให้เห็นตามความจริงของมันปล่อยลงไปตามความจริงการปล่อยนั่นคือการวางภาระนันเองเหตุที่จะปล่อยก็คือให้รู้ตามความจริงของมันแล้วมันก็ปล่อยของมันเองผิตก็เรียกว่าฉลาดถึงจะปล่อยได้ไม่ฉลาดถือวันนั่งค่าคืนยังลง ตลอดกลับตลอดกันไม่มีวันปล่อยวางได้เลยท่านพี้งต่วัลถือพบถือชาเกิดนั้นเกิดนี่เกิดเพราะความหลงนั่นเองอาจจะเกิดเพราะความรู้วิญญาณทั้งวิญญาณทั้งตะวันเกิดมาก็ได้ยินแล้วมันก็ควรจะชินชากันบ้างไม่ควรจะหลงนี่ตลอดเวลานี่มันหลงนี่ตลอดเวลากระทบทั้งรูปทั้งเสียงทางกลิ่นทั้งรสเครื่องสัมผัสต่างๆเข้ามารับทราบภายในความรู้นี้โดยลําดับลําดับแล้วเกิดกับดับพร้อมแบบพร้อม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 พิจารณาแล้วพิจารณานาเล่าเอาอาการทั้งห้านี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกรรมฐ า, านเที่ยวอยู่ในนี้แหละไม่แต่ไปภูเขาเรากรอที่ไหนก็ตามให้เที่ยวอยู่ท่องเที่ยวอยู่ตามนี้เบิง้งบนเบิ้องล่างเบื้งฝัางสถานกลางอยู่ภายในร่างกายนี้ทั้งหมดเบืงเงบนก็ตั้งแต่ศีรษะลงไปของล่างพื้นเท้าเข้ามาส่วนร่างกายภายในนี้ พิจารณาทั้งภายในภายนอกเป็นกองอิจฉาทุกข์องหาตาให้เห็นชัดตามความจริงให้เห็นโทษของความหลงของตนเมื่อพิจารณารู้ตามสิ่งนล้วมันก็เห็นโทษของความหลงนั้นคนเราเมื่อเห็นโทษแล้วมันจะฝืนยึดไว้ได้ยังมันก็ปล่อยแหน่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิจารณาให้รู้ทุกสิ่งอันถึงจะปล่อยได้รู้เต็มที่ปล่อยเต็มที่ถ้าไม่เต็มที่ก็ยังต้องยึดต้องถือเป็นแต่เพียงว่าเบาลงไปเบาลงไปอาศัยการพิจารณาและพิจารณาเรา ถึงหลักความจริงแล้วทางเดินมันมีอยู่เรื่อยเหมือนกับแบบเชื้อมีที่ไหนไฟจะไหม้ไปโดยลําดับลำดับเชื้อแห่งกิเลสอาสวะที่ไหนปัญญาเหมือนกับไฟเป็นเครื่องแผดเผากิเลสจะซึมชาบไปตามลํำดับลำดัะเช่นพิจารณารู้เรื่องภายนอกเสร็จหมดแล้วก็หมดเชื้อไฟปัญญาไม่ออกไม่ไปสนใจอ้าวยังมีอยู่ตรงไหนติดข้องตรงไหน เข็มลูกเวียดนาสัญญาสังขารวิญญาณอ้าวจิตจะมาพิจารณา น, นี่เพราะเชื้อมันแห่งกองทุกข์มันอยู่ที่นี่อุปทานอยู่ที่ไหนกองทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาจะต้องหมุนตัวเข้าไปตามนี้เมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปพอปล่อยไปแล้วก็หมดเชื้อไม่ต้องไม่ไปอีกมันเข้าใจแล้วไม่ต้องพิจารณาไปอีกไปเผากันอะไรอีกปัญญาไปแปรเผากิเลสกิเลสไม่มีนะที่นั่นมันก็ปล่อยไปเรือ่อยๆปล่อยเข้าไปจนกระทั่งไปเผาจิตนี่ย เพราะกิเลสอาสวะมันรวมตัวอยู่ที่จุดมันนักมันเป็นเครื่องบอกมันเองมันสืบต่อกันไปเ้วยจนกระทั่งหมดเชื้อแห่งอาศวะแล้วไฟก็ไม่ลุกลามไปปัญญาก็หมดปัญหาสึ้นภาระที่จะต้องพิจารณาเพื่อแก้อะไรอีกมวมมันเข้าถึงจุดสำคัญ ท่าอวิชาปจิยาสรงคาราสร้างคาราปจิยาวิญญาณังว่าเป็นแถวเป็นแนวไปตัววิชาจริงๆคืออะไรไม่รู้สิเวลาะจะรู้ก็รู้ตามหลักธรรมชาติพิจารณาเข้ามาเข้ามาด้วนเข้ามาปล่อยเข้ามาซื้อตอนเข้ามาทางสติปัญญาปัญญาขั้นนี้จะละเอียดละออสุ ข, ขุมมากทีเดียวมันเหมือนกำน้าซับน้ำซุ่มไหลรินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนไม่มีหยุดมียั้ง ค้นไปค้นมาพินิพจา น, านั่นแหละหลายครั้งหลายหนเรเข้าใจกองแห่งวัตฏะจริงๆคืออะไรนานกองทุกข์จริงๆคืออะไรภพชาติเกิดขึ้นได้นั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นสาเหตุอมันก็มารู้ที่ใจใจนี้เองเป็นตัวพบตัวชาติเพราะเชื้อแห่งภพแั่งชาติมันตังอยู่ภายในใจสติปัญญา อย่างชางเข้าไปแล้วขาดทะลุไปหมดแต่ประธรรมแผเทากิเลสภาณในจิตใจหมดเปรี้ยงไม่มีอะไรเหลื อ, ห, ลอหร อ, อสิ่งที่เหลือก็คือวิมุตติธรรมความหลุดพ้นแห่งใจพ้นจากสิ่งที่บกติดําบังทั้งหลายตั้งแต่โทวร่งางจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดที่เรียกว่าอวิชชาสิ้นสร้าไปหมดภาณในจิตใจนั่นแล ค, คือความทนทุกข์ ที่ทัานมาปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกพ้นกันที่ทุกขมีอยู่แต่ก่อนนั่นแหละแก้ทุกได้ด้วยสติปัญญาแล้วพ้นกันที่นั่นข้ามโลกข้ามทั้สารข้ามกันที่ตรงนั้นไม่ได้โดดข้ามนุ่นข้ามนี่เหมือนเขาข้ามน้ําข้ามทะเลที่ไหนก่ะมันข้ามตรงนั้นเองแต่ท่านแยกเป็นสมมติออกกันว่าข้ามข้ามความจริงก็สลัดภัยที่เป็นดุพานธกิจแจ้งตนออกหมดเชื้อแห่งภัยมี อยู่มากน้อยถึงลายภ า, ายในจิตใจสลัดออกหมดด้วยสติปัญญาแผดเผากันให้เกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือนั่นท่านบัดความพ้นทุกข์หรือว่าท่านตรัสรูก้ ก, ก็ดีบรรลุธรรมก็ดีบรรลุถึงความบริสุทธิ์นั่นเองส่วนสมมติทัทานก็นว่าไปนี่แหละหลัธรรมชาติจริงๆเป็นอย่างนี้รู้ที่นี้แล้วปัญหาทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกกว้างแค่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 เป็นความชนะเสิอก็แล้วความยินทาก็แล้วเพราะอันนี้เป็นอาการแห่งสมมุติทั้งหมดจิตนั้นเป็นผู้พอตัวแล้วในคําว่าดีและชั่วทั้งหลายท่านให้นามผู้ที่ถึงความพ้นทุกข์แล้วนั้นว่าปุญญาปุญยะปาปะพปิรุณบุคคลคือเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วฮันบุญก็คือความสุขที่เป็นฝ่ายสมมุติที่แ้กก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างไปในทางสมมุตินี้ เป็นเครื่องสนับสนุนแต่เดิมดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกบุญที่เป็นสมมตินี่ก็เป็นเหมือนบันไดเมื่อถึงที่แล้วบันไดกับคนก็หมดปัญหากันไปบุญกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมาโดยลําดับเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราถึงความพ้นทุกเมื่อถึงความพ้นทุกแล้วความพ้นทุกนั่นแหละคือถ้าจะเรียกว่าบุญก็เป็นปรมังอย่างยิ่งพ้นจากขั้นสมมติไปหมดบุญอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนไปถึงนั้นแล้วก็หมดปัญหากันไปบาก็หมด ค ำ, คำว่าบาปคือความเศร้หมองคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะหน้าของกิเลสกิเลสสิ้นไปแล้วบาป ก, ก็สิ้นไปความเศร้ามองก็สิ้นไปสิ่งที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายสิ้นไปนั่นแหลคือธรรมชาติล้วนๆได้ะจากความฝุ่นอันบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นเป็นจุดหมายปรายทางแห่งผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อถึงความพ้นทุกข์แล้วความบังทั้งหลายก็หมดไปความอิ่มพอมีเต็มหัวใจ อินพอยตลอดเวลาอากาลิโกทำที่กล่าวนี้เป็นมาจากง้นนแหละจากล้มลุกคลานจากความตะเกียบตะการความอุตสาห์พยายามนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลําดับลําดัๆจนกระทั่งถึงความพ้นทุกได้ท่านละความพ้นทุกไปได้เพราะความเพียรคือเพียรไม่หยุดไม่ถอยเพียร ปลดเปลื้องตนเองโดยลำดับําดับอย่างที่เราเพียรสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญสกุศลนี้คำว่าจิตบริสุทธิ์แล้วนั้นบุญกุศลอันนี้จะม่ให้ผลหรือให้ผลตลอดมาอย่างพระพุทธเจ้าใช้ไปที่ฐานที่ใดนี่แต่คนเคารพบูชาสักการะด้วยเครื่องมัดตุภัยทธธานต่างๆเป็นเพราะอํานาจแห่งกุศลที่องค์สร้างมาทั้งนั้นแล้วบางประชาชนมีจํานวนมาก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 ที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็ยังต้องมีเอตตะค่าต่างๆกันนั่นก็เพราะอํานาจแห่งกุศลทิฏฐ า, านท่านที่จะสร้างมามากน้อยต่างกันเช่นอย่างพระสิวลีเป็นต้นตายไหนมีแต่คนเคารพนับถือบูชาสตุปปฏจายตทานนี้เกืกอนไปหมดท่านไปที่ไหนไม่มีความอุญาตขาดเกล็นะสาวกทั้งหลายที่เป็นพระหานเหมือนท่านแต่เรื่องอติเรากานาคไม่มีองค์ไหนเสมอเหมือนเบนพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นต้องมีภาษาวาลีเป็นที่หนึ่ง นี่จะมาตามสนองท่านอย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งถึงวาละสุดท้ายคือสลายขันขันสลายไปแล้วเป็นอันมาหมดที่จะต้องพึ่งพิงอิงอาศัยในบุญกุศลที่เป็นส่วนส ม, มุตินี้แล mm. ะถ้าคำเบิกจุดวนแล้วหมดปัญหานะเมื่อยังไม่หมดธาตุขันเมื่อไหรแล้วบุญกุศลต้องตามสนับสนุนไปจนได้ตลอดปรัติาร And eh ่ารแสดงเาเห็ว่าเ้นปั้นนำไปพิารณะเปล่ยน